ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำบุญเพรา ะ, ะทำบุญเป็นเหมือนกับบุญมันเป็นเหมือนเงินงงทองเหมทำบุญก็เท่ากับให้หาเงินหาทองละบาปทำไมให้ละบาปเพราะบาปมันเป็นเหมือนนี่อย่าไปก่อห น, นี้อย่าไปสร้างหนี้แล้วให้ชำระใจให้สะอาด ไมต้องชานาใจก็เหมือนร่างกายทาไมต้องอาบน้ำอาบน้ำมันดีกว่าไม่อาบน้ำเวลาร่างกายมันสกรปรกเนี่ยมันมีเหงื่อมีใครมีอะไรเปือเป้อนเราก็ต้องอาบน้ำกันอาบน้ำแล้วร่างกายก็สะอาดมีสบายเวลาร่างกายไม่ ศพปกมันมันก็ไม่ค่อยสบายนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนตามความเป็นจริง <Yeah. S 1> สอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรา <Yeah. S 1> สิ่งไหนเป็นโทษก็สอนให้เราอย่าไปทำ <Yeah. S 1> yeah. สอนสามข้อเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แต่คำสอนทั้งสามข้อนี้ สอนมาที่ตัวเราไม่ใช่มาที่ร่างกายของเราร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายของเราเป็นเพียงคนรับใช้เราผู้รับใช้เราเราไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีร่างกายเราเลยต้องมีร่างกายมารับใช้เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าใจ ใจเป็นคนคิดใจเป็นคนรู้รู้ว่าได้คิดอะไรรู้ว่าได้ทำอะไรแล้วใจก็เป็นคนรับผลของความคิดของการกระทำร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลที่ให้ทำบุญนี้เพราะทำบุญแล้วจะทำให้เรามีความสุขสุขใจไม่ใช่สุขกาย สุกกายต้องอยู่ที่การรับประทานอาหารเป็น <Yeah. S 1> เวลาเราหิวข้าวเรารับประทานอาหารร่างกายก็จะสุขขึ้นมา <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายก็จะทุกข์ <Yeah. S 1> แต่เราเวลาเราทำบุญนี่ร่างกายไม่ได้บุญร่างกายไม่ได้รับความสุขผู <Yeah. S 1> ้ที่ได้รับความสุขคือใจ <Yeah. S 1> ทำบุญแล้วสบายใจ yeah. บุญนี้เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนเงินทองที่เราใช้ให้กับใช้ซื้ออาหารให้กับร่างกายเราก็ใช้บุญนี้ซื้อความสุขให้กับใจนี่คือบุญมีจริงพูดรับผลบุญก็มีจริงผลบุญนี้ก็เกิดขึ้นได้ทันที ทำเดี๋ยวนี้ก็เกิดได้เลยแล้วก็จะอยู่ไปกับใจต่อไปไม่หายไปอยู่ไปกับใจแล้วเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะใช้บุญนี่ยละเป็นผู้ให้ความสุขต่อใจที่มีบุญก็จะเป็นใจที่ไปสวรรค์ เวลาที่ร่างกายตายแล้วใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไปไม่ได้ร่างกายไปที่เมนไปไปดินน้ำลมไฟร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟก็ต้องไปคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปใจอยู่ในโลกทิพย์ ใจถ้าใจมีบุญใจก็อยู่โลกทิพย์ที่มีความสุขเรียกว่าสวรรค์โลกทิพย์นี่ยก็เหมือนกับคอนโดอย่างเงี้ยมีหลายชั้นชั้นสูงชั้นต่าำชั้นสูงก็ราคาแพงชั้นต่ําก็ราคาถูกนโลกทิพย์ก็มีมีชั้นสูงมีชั้นต่ํา ชั้นสูงก็มีความสุขชั้นต่ำก็มีความทุกข์พวกที่ทำบาป ก, ก็ไปอยู่ชั้นต่ำเวลาทำบาปนี้ทำแล้วใจมันทุกข์ใจมันร้อนเวลาทำบุญแล้วใจสุขใจเย็นใจที่สุขใจที่เย็นนี้ก็จะอยู่ชั้นสูงอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆ ใจที่ทำบาปใจร้อนใจทุกข์ก็จะอยู่ชั้นต่ำเรียกว่าชั้นอบายอบายมีสี่ชั้นชั้นเดลฉานชั้นเปรตชั้นสุลกายชั้นนรกเนี่ยนี่แหละคือที่ไปของผู้ที่ทำบาปทำบาปแล้วใจจะทุกข์ใจจะร้อน เวลาไม่มีร่างกายก็ต้องไปอยู่ที่อบายบางทีก็ไปอยู่ที่ร่างกายของเดรัจฉานบางทีก็อยู่เป็นเปรตอยู่เป็นอสูรกายอยู่ในนรกเกิดจากการทาบาปถ้าไม่อยากจะให้ใจไปอยู่ในอบายก็ต้องไม่ทำบาป ถ้าไม่ทำบาปได้ใจก็ไม่ต้องไปอยู่ที่บายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนบาปก็มีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานแต่มีโทษหนักเบาต่างกันถ้าฆ่าชีวิตที่มี พราะคุณมากนี้มีโทษมากเช่นฆ่าพา่อฆ่าพา่อฆ่าแม่ฆ่าพระอราหันต์อันนี้มีโทษหนักโทษประหารชีวิตถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกเป็นโทษหนักต้องประหารชีวิตถ้าฆ่าผู้อื่นนี่โทษเบากว่าอาจจะเพื่อจาคุกตลอดชีวิต ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้โทษหนักกว่าฆ่าคนที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แล้วถ้าฆ่าคนที่ไม่ดีคนชั่วโทษก็ยิ่งเบาใหญ่ไม่หนักแต่ก็ยังมีโทษเช่นพวกที่เป็นเพชฌฆาตเขาทำหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษเขาก็บาปทําบาปแต่บาปนี้ไม่หนักเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ หรือฆ่าคนที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรมีบาปมีโทษหนักเบาต่างกันไปตามคุณประโยชน์ของคนที่เราไปฆ่าทำไมพ่อแม่จึงโทษหนักมากก็เพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากหรือฆ่ออาอรหันนี่ก็มีพระคุณกับเรามากฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหรนันนี่ถือว่าเป็นโทษหนัก เท่ากันฆ้าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับข้าพระอรหันต์แล้วถ้าไปทําให้พระพุทธเจ้าเพียงแต่เลือดออกคะนั้นห่อเลือดก็ถือว่าโทษหนักเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณมากีพระคุณมากกว่าใครทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนคนเดียวที่จะทําให้สัตว์โลก ได้หลุดพ้นจากกรรมต่างๆได้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปฆ่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเท่านั้นไม่ถึงกับฆ่าพระเทวทัตนพยายามฆ่าสามครั้งพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งนะ ทำไม่สำเร็จทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ห่อเลือดมีเศษก้อนหินไปไปทำให้เท้าท่านห่อเลือดขึ้นมาก็เลยต้องเวลาตาไปก็ต้องไปใช้กรรมหนักในในนรกขมหนักที่สุดโทษหนักที่สุดถ้าถ้าทางโลกเราก็เรียกว่าโทษประหารชีวิตบาปมี มีดักเบาเหมือนกับบุญมีมีเนี่ยมีหนักเบาทำบุญน้อยก็ได้บุญก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำทำบุญมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงเหมือนมีเงินซื้อคอนโดเงินน้อยก็ซื้อคอนโดถูกเงินมากก็ซื้อคอนโดแพงอคล้ายกันเปรียบเทียบกันงันการทำบาปนี้มีโทษหนักเบาต่างกันะ หนักที่สุดก็คือค่าพ่อค่าแม่ค่าพาาาระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าพ่อเลือดลําดับต่อมาก็ทําให้กับผู้มีพระคุณที่ที่น้อยลงมาเช่นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนหนังสือที่ตามโรงเรียนต่างๆท่านก็มีพระคุณกับเราหรือคนที่มีบุญคุณเคยช่วยเหลือเราเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาช่วยเหลือเรา เหมือนชาวนากับงูเหา่าอย่าเ้ชาวนาเห็นงูเห่าไม่สบายก็จับเอาไปรักษาแล้วพอชาวนาพลาดไปเหยียบพางงูเหา่าเข้างูเห่าก็กัดชาวนาตายอันนี้ก็โทษหนักกว่าไปฆ่าคนที่ไม่มีพระคุณคนไปฆ่าคนที่ก็มีบุญคุณกับเรานี่หนักกว่าไปฆ่าคนที่ไม่มีบุญคุณกับเราวแล้วไปฆ่าคนที่ เขาไม่ดีนี่ก็โทษน้อยลงไปแค่เรามีหน้าที่เราทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเป็นผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนทำผิดกฎหมายอย่างนี้คนไปฆ่าคนอื่น <Yeah. S 1> ก็ยังมีโทษเพราะเรายังสั่งเขาฆ่าก็ดีหรือฆ่าเองก็ดี <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นการทำบาปเหมือนกันแต่บาปน้อยกว่าไปฆ่า คนที่มีพระคุณหรือคนที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วต้องยิงเขาตายโทษก็ไม่หนักถ้าไปยิงเขายิงคนที่ไม่ได้เป็นผู้ร้ายเนี่ยหนักคนก็ไม่ได้ทำผิดแล้วไปยิงเขาอันนี้หนักกว่าโทษมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆถ้าเราทำกับคนที่มีไม่มีคุณมีแต่โทษ ทหารตำรวจเนี่ยเขาทำหน้าที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองเขาก็ต้องฆ่าพวกที่จะมาบุกรุกทำร้ายบ้านเมืองะเขาก็มีเขาก็ทำบาปเหมือนกันแต่บาปไม่หนักไม่ห น, น, นักเหมือนกับไปฆ่าคนที่เขามีบุญคุณแล้วแล้วถ้าฆ่าสัตว์เดรัจฉานก็นะก็บาปแต่ก็โทษก็เบาลงไปอีกเพราะสัตว์เดรัจฉานก็ ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันสัตว์ที่มีบุญคุณก็มีโทษหนักหน่อยเช่นวัวควายนี่สมัยก่อนชาวนาชาวไร่ต้องอาศัยเอาวัวควายมาทํางานอวัวควายก็มีบุญคุณกับกับชาวนาชาวไร่นค่าวัวควายนี่บาปหนักก็ไปค่าเป็ดค่าไก่เป็ดไก่มันไม่ค่อยมีบุญคุณอะไร นี่คู่เปรียบเทียบให้ฟังว่าบาปมีแต่มันมีต่างกันที่คนที่ถูกฆ่าสิ่งที่ศัพท์ที่ถูกฆ่าว่ามีมีบุญคุณมากน้อยหรือมีโทษมากน้อยพวกมีโทษมากก็เวลาถูกฆ่าคนที่ฆ่าเขาก็บาปน้อยกว่านี่นี่คือ บาปที่ไม่ควรทำนะก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะทำแล้วจะต้องนะไปเกิดในอบายมีอยู่สี่ที่แล้วแต่ว่าเราฆ่าเพราะอะไรนะถ้าเราฆ่าเพราะไม่รู้เียนะก็ไปเป็นเดรัจฉานนะไม่รู้ว่าเป็นบาปนะบาปเขาก็ฆ่าเดรัจฉานนี่เขาก็จฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเอามาเป็นอาหารนะ คนที่ทำอาชีพค่าเป็ดฆ่าไก่นี่ก็บาปแต่เขาไม่รู้ว่าบาปเพราะคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพของเขาเขาต้องมีความจำเป็นต้องเลี้ยงชีพเขาเขาก็เลยต้องท่าเพื่อที่จะให้เขาไม่ตายให้เขามีอาชีพอันนี้ก็เหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าทบาบาปแล้วมันเป็นบาปเขารู้ว่าเขาต้องกินเขาต้องอยู่ เขาก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขาเอามาเป็นอาหารคนที่ทําอาชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานกันแล้วส่วนพวกคนที่ไปทํำบาปฆ่าเพราะอยากอยากเลิ่มอยากรวยคือถ้าถ้าทําแค่เลี้ยงชีพก็ฆ่บตัวสองตัวก็พอ ถ้าอยากรวยก็จะต้องฆ่าเป็นสิบแล้วเอาไปขาย เ, ออเพื่อที่จะได้มีเงินมา อ, อ, อยากรวยอย่างี้ถ้าฆ่าด้วยความอยากรวยนี่ก็จะไปเป็นเปรตแล้วถ้าฆ่าด้วยความกลัวนีออ่ก็จะไปเป็นเดรัจฉานออกลัวเขาจะทําร้ายเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนกลัวมดกลัวมแมลงกลัวยุงกลัวอะไรต่างๆ กลัวมันจะมากระดแล้วทําให้เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ถ้าฆ่าด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าจะไปเป็นเดรัจฉา้ไปเป็นอสูรกายแล้วถ้าฆ่าหรือทำบาปข้ออื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทเนี่ยโกรธเกลียดกันเกลียดชังกันอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันท่านบอกต้องไปนรก นรกจะมีอยู่สีที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทำบาปมีเหตุผลไม่เหมือนกันทำบาปเพราะไม่รู้ว่าบาปนะเป็นเดราาัจฉานทำบาปเพราะโลภอยากรวยอยากมีอะไรมากๆอยากสุขอยากสบายมากๆ ก, ก็ค่าเพื่อทำบาปเพื่อให้สุขให้ตัวเองสุขสบายก็ไปเป็นเปรตทำบาปเพราะกลัวก็ไปเป็นอสุ ร, รกาย ทำบาป เ, เพราะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองตรรก็ไปเป็นไฟนรกนเพราะใจที่อาฆาตพยาบาทนี่ร้อนไหมเวลาเราโกรธใครเกลียดใครนี่ใจร้อนไหมนั่นแหละไฟนรกนความร้อนใจนะนะเรียกไฟนรกพอไม่มีร่างกายใจก็เป็นมนุษเป็นเป็นปนรกเต็มเต็มตัวเลยนะนะถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็เป็นชั่วคราว เวลาโกรธใครเกลียดใครก็ร้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสัาพักก็ดับลงไปเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นลืมเรื่องที่ทงให้เราโกรธมันก็สงบไปชั่วคราวแต่มันไม่หายมันยังไม่ได้ไปใช้มันยังไม่หมดมันจะหมดก็ต้องตอนที่เราตายไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเนี่ยบาป ท, ที่เราทำเนี่ยมันจะเริ่มออกมาให้เราได้รับใช้ ไปจนกว่ามันจะหมดเหมือนฟืนเหมือนน้ามันที่เราเติมเข้าไปในรถเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปตายไปแล้วก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่รู้กี่กี่ครั้งค่าคนะ่าค่าคนกี่คนค่าสาัตว์กี่ตัวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าบ้างสลับกันสลับฉากันนี่คือที่ไปของมี มีที่ไปที่เรามองไม่เห็นกันเพราะตัวเราคือร่างกตัวเราคือจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นกายทิพย์เป็นกายทิพย์เนี่ยเป็นกายที่เราจะ เ, าเรารู้ได้เพียงแต่การนึกคิดขึ้นมาเท่านั้นเองไม่เหมือนร่างกายร่างกายมีรูปร่างมีหน้าตา แต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาใจจึงไม่ต้องตายเหมือนกับร่างกายร่างกายต้องตายแต่ร่างกายไม่ต้องไปรับผลบาปผลบุญใจนี้ไม่ตายแต่ต้องเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ก็เป็นเวลาที่บุญกับบาปจะมาคิดบัญชีกันเหมือนมาแย่งมาดึงใจกัน ใครมีกำลังมากวกว่าก็จะเดึนทางนั้นถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็ดึงไปสวรรค์ก่อนบาปไม่ยังไม่หายไปยังไม่หมดเพียงแต่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงใจไปรับผลบาปเพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็ดึงไปไปรับผลบุญก่อนเราไปรับผลบุญจนกว่ า, <S <S าบุ ญ, บญ <thirteen S 2> จะมีกำลังอ่อนกว่าบาปถ้าบุญอ่อนกว่า บ, บาปเมื่อไหร่บาปก็จะดึงให้ไปรับผลบาป แล้วถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้ดึงไปอาบายก็ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์เนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาได้ร่างกายอันใหม่แต่บุญกับบาปที่ยังมีอยู่ในใจก็ยังไม่หมดนีเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถส่งผลได้เพราะมันมีกําลังเท่ากันบุญกับบาปมันเท่ากันจะดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะดึงไปอาบายก็ไม่ได้ ก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็เพื่อจะได้มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วเวลาตายไปบุญกับบาปอันไหนมีมากกว่ามันก็จะดึงไปกันนี่คือเรื่องของการไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดการไป อ, อยู่ตามภพต่างๆในสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นไปนรกไปอบายชั้นต่างๆ ไปด้วยกำลังของบุญของบาปที่เราทำกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนเห็นร่างทิพย์กายทิพย์ของพวกเราเนี้ที่ไปรับผลบุญผลบาปท่านจึงมาสอนพวกเราสอนให้พวกเราทำบุญกันทำบุญเยอะๆพยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาปไหมถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบาปก็ยังจะไม่มีกำลังต้องรอลงอายาไปก่อน เหมือนถ้าถูกตำรวจจับสารลงโทษสารก็บอกว่ารอลงอาญาไปก่อนคนนี้ทำความดีอยู่เยอะมีความดีมากยังไม่ต้องไปรับโทษแต่อย่าไปทำบาปเพิ่มขึ้นมาถ้าทำบาปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะต้องไปรับโทษทันทีพวกคนที่เขารอลงอาญาก็อย่างนี้ก็ให้รอลงโทษไปก่อนแต่ถ้าไปเกิดไปทำโทษใหม่ขึ้นมานี่ต้องไปรับโทษทันที อันนี้ก็เรื่องของบุญของบาปที่พวกเราอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันว่าเป็นอย่างไรเพราะเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่มีค่อยคนมีคนอธิบายให้เรารู้ว่าบุญนี้เป็นลักษณะอย่างไงบาปไม่เป็นลักษณะอย่างไงผลของบุญของบาปเป็นอย่างไรเราจะเห็นตัวอย่างของผลของบุญของบาปได้ก็ตอนที่เรานอนหลับนี่แหละตอนนอนหลับนี่เราก็เหมือนตายไปใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ร่างกาย ร่างกายนอนอยู่เฉยๆตายชั่วคราวเพราะนั้นนะ่ถ้าเราฝันดีก็เราไปสวรรค์นนะถ้าเราฝันร้ายเนะ่ยเราก็ไปอบายนะเวลาเราฝันดีฝันร้ายมันจะเป็นหนังตัวอย่างบอกให้เรารู้ว่าเวลาเราตายไปนี่เราจะมีแนวโน้มจะไปทางไหนกันถ้าฝันร้ายอยู่เรื่อยๆนี่แนวโน้มมันบอกแล้วว่าจะจะต้องไปอบาย ถ้าฝันดีอยู่เรื่อยๆแนวโน้มมันจะบอกว่าจะไปสวรรค์พระเจ้าบอกคนที่ทําบุญในเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายเวลาตื่นก็มีความสุขนคนทําบุญถ้าเราทุกวันเรามีความสุขใจเนี่ยเราไม่ค่อยทุกข์ใจกับเรื่องที่เราไ ป, ไปทําเสียหายต่างๆนี่เราก็จะรู้ว่าเราทําบุญมากกว่าทำบาตร แต่คนที่ทำบาปมากนี่เขาเขาจะทุกข์ใจเขาจะาจกังวลใจกลวจะถูกจับกลจะถูกเขามาล้างแค้นก็มีแต่ความทุกข์ใจนอนหลับก็จะฝันร้ายฝันไม่ดีฝันว่าคนนั้นจะตามมาล้างหนี้ล้างอะไรจองกรรมจองเวรกันนี่คือหนังตัวอย่างตอนที่เรานอนหลับนี่เราตายตเราากำลังตายแบบชั่วข่าวตายแบบอ่า ตายแบบเวลาตื่นขึ้นมาได้ยังได้ร่างกายอันเก่าอยู่แต่ถ้าเราตายจริงนี่สมมติว่าร่างกายนี้ตายไปเนี้ยเราก็จะฝันยาวเลยฝันดีฝันร้ายแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะได้ร่างกายอันใหม่มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าบุญหรือบาป ท, ที่เราฝันไม่หมดกำลังมันก็เลยทำให้เราต้องมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่ก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่นี่ เวลาตายก็เหมือนนอนหลับแต่นอนหลับแบบเปลี่ยนร่างไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้เรานอนหลับแต่เราไม่ได้เปลี่ยนร่างนอนหลับพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังได้ร่างเก่าอยู่แต่ถ้าเวลาเราตายนี่ร่างเก่านี้มันหมดสภาพมันอยู่ต่อไปไม่ได้เราก็ไปฝันยาวเลยถ้าบุญพาไปก็ฝันดีแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายใหม่มาเป็นเด็กร้อง โอ้แโอ้เอออกมาจากท้องแม่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญของบาปเป็นลักษณะอย่างนี้ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ผู้ที่เป็นผู้ทำบุญและทาบาปและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปในลักษณะของเวลาฝ่นไปเนี่ย เวลาฝันเนี่ยเรากําลังไปรับผลบุญผลบาปชั่วข่าวถ้าเราฝันถ้าร่างกายตายไปนี้เราก็จะรับแบบรับยาวไปเลยรับไปจนก่าจะกลับมาเกิดใหม่ก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนนอนหลับยาวอาจจะเป็นร้อปีพันปีก็ได้แต่มันจะรู้สึวเดียวเนี่ยเวลาเรานอนหลับที่แปดชั่วโมงเนี่เหมือนตักเดียวอ เราไปรับผลบุญผลบาปเป็นร้อยปีพันปีนี่ก็เหมือนปั๊บเดียวเดี๋ยวพอได้ร่างกายใหม่ก็ลืมลืมเรื่องที่เราฝันไปหมดแล้วนะพอเราตื่นมาที่บางทีเราจำไม่ได้แนละ้วเรื่องที่เราฝันไปเมื่อกี้ฝันดีฝันร้ายหายไปหมดนะเลยลืมนี่คือเรื่องของเนี่ยของบุญของบาปของผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกาย ถ้าเรามองที่ร่างกายเราก็จะไม่เชื่อ ว, ว่ามีบุญมีบาปใช่ไมไม่ไม่เชื่อ ว, ว่ามีนรกมีสวรรค์พะเห็นว่าร่างกายตายไปมันก็ไม่ได้มันก็เพียงแต่กายเป็นขี้เท่าที่ฐานไปหรือเอาไปฝังดินมันก็กลายเป็นดินไปเพราะมันมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายมันจะไปสวรรค์ไปนรกไม่ได้แล้วเราจะขับเครื่องดินขึ้นไปบนท้องฟ้าหาสวรรค์ก็ไม่มีอีก จะขุดดินมืดดำลงไปในน้ําไปหานรกก็ไม่มีเพราะว่าสวรรค์มันไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ในเดินสวรรค์อยู่ใน อ, อกนรกอยู่ในใจเอมันอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาจึงไม่รู้จักเราจริงไม่ค่อรู้จักตัวเราเองทั้งๆ ท, ที่เราเนี่แหละเป็นใจเป็นจิตเป็นใจเป็นผู้คิดแต่ไม่มีใครสอนให้เราคิด อย่างนี้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันนะว่าถ้ยาเราเป็นร่างกายเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็แก่เจ็บตายพอแก่เจ็บตายแล้วก็จบศูนย์บุญก็ศูนย์บาปก็ศูนย์ทตายแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญไม่มีใครไปรับผลบาปถ้าจะรับก็รับเฉพาะช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นถ้าทําผิดกฎหมายเขาก็อาจจับไป ขังคุกขังตารางเรือไปประหารชีวิตแต่ถ้าเก่งก็อาจจะหลบหนีได้ก็คนยังไม่ค่อยกลัวบาปกันบางคนคิดว่าเก่งหาเงินมีเงินก็อย่างใช้เงินใช้เงินได้ทาบาปเขาสามารถที่จะไม่ต้องไปรับโทษเพราะเขาให้เงินไปรับโทษแทนพอจ่ายเงินปักก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปติดคุกติดตาราง คนก็เลยถห้เงินเป็นพระเจ้ากันแทนที่จะเชื่อบุญก็หาเงินดีกว่าพอมีเงินก็ไม่เอาไปทำบุญเอาเงินนี้ไปจ่ายดีกว่าจ่ายเวลาไปทำบาปนี่ไปขับรถตารวจจับก็จ่ายไปก็ไม่ต้องถูกไปใบสั่งไม่ต้องไปโรงพักค่าคนจับรถขับรถชนคนตายก็จ่ายเงินซะ เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันคนสมัยนี้เลยจึงบ้าเงินกันไม่บ้าบุญกันบ้าบ้าเงินกันก็คิดว่าคิดว่าเงินนี้แหละเป็นบุญเงินนี้จะช่วยเขาได้ทุกอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าช่วยได้เฉพาะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเอลาตายไปแล้วเงินที่มีอยู่นี่ช่วยไม่ได้เลยแนมะแต่บาทเดียว ถ้าทำบาปแล้วเอาเงินไปซื้อไปซื้อไปจ่ายไม่ได้ไม่มีใครรับเงินถ้าถ้าจะเอาเงินต้องเอาบุญไปญนั่นบุญนี่คือเงินที่เราติดตัวไปได้ถ้าเรามีบุญไปบาปเรายังไม่ต้องไปเข้าคุกเรายังไม่ต้องไปใช้บาปถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเราก็ไปสวรรค์ก่อนเนั้นถ้าอยากจะใช้เงินซื้อซื้อซื้อ ซื้อวิธีที่จะไม่ต้องติดคุกติดตารางในโลกที่ก็ต้องเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปทำบุญกันทาบุญเยอะๆพอตายไปบาปที่เราทำมามันยังจะไม่สามารถส่งผลได้เพราะเรามีเงินใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ขอผ่อนพันก่อนได้ขอไปเที่ยวก่อนไว้เงินผลเราก็จับไปขังคุกต่ออันนี้ก็ผูเปรียบเทียบไม่ฟัง พวกเราทุกคนยังหนีไม่พ้นเนี่ยยังต้องทําบาปกันอยู่บ้างทําบ้างทําน้อยเอแต่พยายามใช้ทําบุญเยอะๆจะได้มีเงินไปจ่ายค่าค่าค่าเจ้าหน้าที่ที่ก็จะมาจับเราไปขังคุกขังตารางอขอผ่านพันุไปก่อนอขอไปเที่ยวก่อนมีเงินถ้าเรามีเงินเราก็จ่ายได้เหมือนกับในเรื่องนี้ใช่ไหมก่อนที่มีเงินเขาเวจะติดคุกเขาก็มีวิธีใช้เงินเนี่ย คือทางออกได้หาทางออกได้จะให้เจ้าหน้าที่หรือถ้าไปติดคุกก็ติดคุกที่ติดแอมีห้องแอร์ให้อยู่อย่างเงี้ยในคุกถ้ามีเงินตัวอย่างอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็เป็นเหมือนเงินในโลกคลิดถ้ามีเงินกไ็ไปเที่ยวได้ก่อนไปสวรรค์ได้ก่อนยังไม่ต้องไปอบายถ้ามีบุญมากกว่าถ้าไม่มีบุญเลอต้องไปเป็นขอทานเนี่ย พวกขอทานก็คือพวกเปรตเนี่ยอย่างที่เราอุทิศบุญไปให้พวกที่ตายไปแล้วก็คือพวกนี้แหละพวกนี้เป็นพวกเดียวที่มารอรับบุญพวกอื่นเขาออกมารับไม่ได้พวกที่ไปนรกก็ติดคุกอย่ในคุกพวกที่เป็นนอสูรร่กายก็มารับไม่ได้พวกเดราจฉานเขาก็ต้องไปหากินของเขาเองมีพวกที่มารอรับส่วนบุญก็คือพวกพวกเปรตพวกที่เป็นขอทานเพราะว่า เวลามีชีวิตอยู่ไม่ยอมทําบุญเสียดายเงินอยากจะรวยเสียดายเงินเอาเงินไปเที่ยวอะไรไม่ยอมทําบุญทําแต่บาปพอตายไปเลยก็ต้องไลยเป็นเปรตทําด้วยความโลภอยากรล้ำอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆตันีที่เนียหวหวงเงินหวงทองอยากจะได้แต่ไม่อยากจะเสียน ที่ีคุณลักษณะของของเปรตเป็นยงจิตใจที่เป็นเปรตมันไม่มีรูปร่างหน้าตานะที่เขาวาดเขาเพียงแต่เปรียบเทียบที่วาดแบบน่าเกลียดน่ากลัวนี่มันเป็นเพียงแต่การเปรียบเทียบเท่านั้นเองแต่มันเป็นความรู้สึกเปรด น, นี่มันจะหิวอยู่เรื่อยๆได้มากได้น้อยก็ไม่พอไม่อิ่มโลภมากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ นี่คือเรื่องของตัวเราพวกเราตัวเราพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายที่เราไม่อยู่นี้เป็นเพียงคนรับใช้เราเป็นลูกน้องเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นบ่าวใจคือเรานี่แหละเป็นเป็นเจ้านายของร่างกายเราใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆเราอยากจะไปเที่ยวเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปเราอยากจะไปกินไปดื่มก็สั่งให้ร่างกายพาเราไป แต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นใจเป็นเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้ใจที่หนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาตหลังจากที่ตายไปแล้วผู้ที่รไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจผู้ที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็คือใจถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทาบา มารับผลบุญผลบาปพระพุทธเจ้ า, าก็มีทางเลือกทางออกให้บาะว่าต้องไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวเราตอนนี้มันสกรปรกด้วยกิเลสตัณหากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่เป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆความอยากเราอยากจะหาความสุขทางตาผูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมีร่างกายเราอยากดูกันนะั้ยอยากฟังไนมะอยาก ลืมลดนมกลิ่นกันไนหะอยากสัมผัสกับของต่างๆไนะของแข็งของนุ่มของร้อนของเย็นเนยะความอยากเหล่านี้มันบังคับให้เราต้องแปมีร่างกายกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็ดูอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้นมอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปรอรับร่างกายใหม่ไปเข้าคิวรอไปใช้บุญใช้บาปก่อ ไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอบุญกับบาปไม่สามารถดึง mm. เราไปได้แล้วเราก็มารอรับร่างกายพอได้ร่างกายเราก็พาร่างกายนี้ไปเที่ยวเลยไนระเด็กนี่ตั้งแต่มันออกมาจากท้องแม่มั น, มนก็เริ่มเที่ยวแล้วใช่อไหมมันคานไปนูน่นคานไปนี่เห็นไหมปล่อยให้มันอยู่เฉยๆได้ปะพอมันคานได้มันคานแล้วการไปหาโน่นหาที่นี่เล่นในนูน่นเล่นในนี่ของมันไปเพราะความอยากมันอยู่เฉยๆไม่ได้ ไม่ต้องสอนใช่ไหมเด็กเนี่ยไม่ต้องสอนให้เด็กว่าไปเที่ยวไหมมันไปของมันเองมันคานไปของมันเอ ง, เองนี่แหละคือความอยากตัวนี้แหละที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าอยากจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้ฝืนมันมันอยากจะดูก็อยากไปดูอยากจะดูละครก็อยากไปดูอยากจะไปฟังเพลงก็อยากไปฟัง อยากจะไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆอยากไปช้อปปิ้งอะไรก็อย่าไปให้ไปอยู่วัดไปนั่งเฉยๆทําใจให้นิ่งถ้าทําใจให้นิ่งได้ความอยากมันก็จะหยุดไปเนี่ยที่เขาไปบวชกันเนี่ยเป็นพวกที่เขาไปชําระใจกันชำระความโลภความอยากกันเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป คนที่ทำสำเร็จเราก็เรียกว่าเป็นพระอังาหันพระอังหันนี่สามารถหยุดความอยากความโลภความโกรธความหลงภายในใจได้หมดเลยเอาชนะมันมันจะโกรธก็หยุดมันได้มันจะโลภก็หยุดมันได้ไม่ต้องไปทำตามคำสั่งความโลภความโกรธนี่มันเหมือนเจ้า น, านายเรามันสั่งให้เราโลภเราก็ไปละสั่งให้เราไปชอปปิ้งก็ไปกันสั่งให้เราไปเที่ยวก็ไ ป, ไปกันสั่งให้เราไปดู ไปฟังก็ไปกันเพราะว่าถ้าเราดื้อไม่ยอมทําอันนี้มันจะมันจะเหยียบเรามันจะทําให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมเวลาอยากจะทําแล้วก็ไม่ได้ทํารู้สึกสบายไหมอึดอัดใจลาคาญใจอหรือบางทีก็เหงาหงอยเศร้าซ้อยว้าเหวอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านนี่ก็เศร้าซึมอซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าไม่สามารถทําตามความอยากได้ อยากจะได้ไนันก็ทาไม่ได้อยากจะได้มีไอ้นั่นก็มีไม่ได้มันก็เลยทำให้ซึมเศร้าแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่มีอาการเหล่านี้ถ้าเราหยุดความอยากได้อาการซึมเศร้าอาการเหงาอาการว้าเหว่ต่างๆอาการหงุดหงิดลำคางใจนี้จะหายไปหมดใจสะอาดเหมือนใจที่สะอาดเหมือนกับร่างกายที่สะอาดเวลาร่างกายเปื้อนนี่มันไม่ค่อยสบายใช่ไ้ย พออาบน้ำหลับท่าเสร็จแล้วก็เสร็จไปนมาสดชื่นไหนั่นแหละเวลาเราชาระใจได้เวลาเราหยุดความอยากได้แต่ละครั้งนี่มันเหมือนกับได้ไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ทําให้ใจเบาใจสุขใจสบายขึ้นมาวิธีที่จะหยุดความอยากได้ก็คือต้องหยุดความคิดเวลาจะหยุดความคิดได้ก็ต้องบังคับให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวอย่าให้เปียบปล่อยอให้มันไปคิดหลายเรื่อง จะนนัคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธคําเดียวหรือสวดมนต์ไปอย่างเดียวถ้าสวดมนต์ไปพุโทโธไปใจจะเบาจะเย็นจะสบายความหงุดหงิดลาคาญใจความว้าวุ่นผุ่นัวต่างๆก็จะหายไปนี่คือวิธีกําจัดชําระใจให้สะอาดต้องชําระด้วยสติแล้วก็ชาระด้วยปัญญาปัญญาคืออะไร ปัญญาก็คือต้องเห็นว่าการไปทำตามความอยากนี้ทำให้เราวุ่นวายกการมีความอยากนี้ทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายทุกครั้งที่เกิดความอยากเราต้องรู้ว่าเราต้องไม่ทำตามความอยากนี่คือปัญญาคือให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเราไม่อยากจะเอาเชื้อโรคเข้ามาล่ามกายเราใช่อยากจะเอาเชื้อเอเข้ามาง เวลาไปหาหมอหมอเก็มีเข็มฉีดยาไม่สะอาดก็มาฉีดยามีเชื้อเอชติดเข้ามานี่เราจะเอาไหมไม่เอาก็ขอให้เราเห็นว่าความอยากนี่เป็นเหมือนกับเชื้อเอชเชื้อโรค ก, ก็แล้วกันถ้ายังมีเชื้อเอชมีความอยากอยู่ใจมันก็จะทุกข์ใจมันจะวุ่นวายใจมันจะซึมเศร้าแล้วการทำตามความอยากนี่ก็เป็นการส่งเสริมความอยากให้มันมีมากขึ้น วิธีที่จะกําจัดความอยากก็เกิดต้องไม่ทําตามความอยากอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวไม่ไปต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหมดไปเองเหมือนคนที่เลิกบุหรี่ได้ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มพอฝืนไปฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเองเราต้องฝืนเราจะฝืนได้เราต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติฝืนไม่ไหวหยุดมันไม่ได้มันจะคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้อยู่เรื่อยๆยิ่งคิดก็ยิ่งทรมานใจเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องไปทาตามที่เราอยากคนที่เลี่ยงบุหรี่ไม่ได้ก็เพราะหยุดความคิดไม่ได้หยุดคิดถึงบุหรี่ไม่ได้คิดแล้วก็อยากอยากแล้วก็หงุดหงิดตำคานใจยิ่งคิดก็ยิ่งหงุเหงิดใหญ่เดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องไปสูบ แต่ถ้าไม่คิดได้เวลาอยากบุหรีก็ไม่นั่งสมาธิกันไม่นั่งสวดมนุงกันไป่นั่งพุโทโธพุโทโธกันนล้วจิตสงบความอยากก็จะหยุดไปแล้วความทรมานใจที่เกิดจากการอยากสูบบุหรี่ก็หายไปหรือความทรมานใจเกิดจากความอยากทําอะไรต่างๆก็จะหายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราไปทําตามมันมันหายไปชั่วคราว ความหงุดหงิดหายไปชั่วคราวอยากจะสูบบุหรี่หงูดหียดขึ้นมาอาไปสูบสูบเสร็จเดี๋ยวความหงุดหงิดเก็บความอยากโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วความหงุดหงินใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็จะไม่มีวันจบเนี่ยเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกสุูาไม่ได้เลิกเที่ยวไม่ได้เลิกความอยากไม่ได้แต่เลิกความอยากได้ต้องไม่ไปทําตามความอยากต้องทําต้องหยุดความอยากให้ทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไป สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกำลังแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายอยู่เฉยๆมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปทําอะไรแล้ว มีร่างกายก็เหมือนกับไม่มีมันแก่เราก็จะไม่เดือดร้อนมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนมันตายเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่นี่เราจะเดือดร้อนใช่ไหมเราจะไม่อยากแก่กันใช่มเพราะเวลาแก่แล้วทาอะไรไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทาอะไรไม่ได้เวลาตายแล้วทาอะไรไม่ได้จึงไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายกัน พอมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทรมานใจเวลาแก่แล้วทรมานใจเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยทรมานไหมเวลาจะตายทรมานไหมมันทรมานเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราจะเฉยๆได้เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายมันแก่ก็แก่ไปไม่ได้ไม่ได้อาศัยมันละมันจะเจ็บก็ช่างมันเหมือนคนใช้เนี่ย คนใช้ถ้าเรายังต้องใช้เขาอยู่ถ้าเขาไม่ทำงานเราก็เดือดร้อนเ ร, เราต้องทำเองแต่ถ้าเขาถ้าเราไม่ต้องใช้คนใช้เราทำเองได้คนใช้มันจะป่วยแล้วไม่ป่วยก็เรื่องของมันมันจะละอาออกก็เรื่องของมันเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่เราก็จะเดือดร้อนที่เรายังต้องใช้ร่างกายอยู่เพราะเรายังมีความอยากอยากดูอยากฟังอยากลิ่มนสดมกลิ่นอยู่พอ ร่างกายเป็นอะไรดูไม่ได้ฟังไม่ได้ก็เดือดร้อนขึ้นมาไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เนี่ยปีใหม่แล้วไปฉลองปีใหม่ไม่ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนในโรงพยาบาลก็จะทุกข์เราจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันถ้าเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายได้ต่อให้ร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อน พราะเราไม่ต้องใช้มันแล้วแล้ถ้าร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่เราไม่ไปหาร่างกายใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่มีร่างกายสบายกว่ามีมีแล้วต้องเหนื่อยมันต้องเลี้ยงดูมันไหนมีคนใช้ก็ไม่มีคนใช้ไหนสบายกว่ากันมีคนใช้ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาต้องหาเงินมาจ่ายเงินเดือนให้เขาถ้าไม่มีคนใช้ก็ไม่มีค่าใช้จ่าย มีร่างกายก็มีค่าใช้จ่ายมีปัญหาต่างๆ ต, ตามมาเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราตายไปอันนี้มีแต่โทษคนที่ฉลาดนี่เขาถึงบอกไม่มีร่างกายดีกว่าพระพุทธเจ้าฉลาดพอเห็นว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรองไม่เอาดีกว่าหาวิธีทำยังไงที่จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย S <S ก็เลยพบว่าต้องหยุดความอยากใช้ร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปมีร่างกายเหมือนคนที่มีคนใช้อย่าไปมีคนใช้ดีกว่ามีแล้วก็วุ่นกับเรื่องของคนใช้เดี๋ยวมันลาออกบ้างเดี๋ยวมันขโมยของบ้างเดี๋ยวมันขอเงินเดือนเพิ่มบ้างเดี๋ยวมันโกหกหลอกลวงเราบ้างถ้าไม่มีคนใช้เราก็สบายไม่ต้องมายุ่งกับคนใช้ไม่มีร่างกายเราก็จะสบายไม่ต้องมาทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูมันเนี่ยในร่างกา ย, ยวันวันหนึ่นงรเราหมดไปหลายชั่วโมงให้กับร่างกายเนี่ยอาบน้ําให้มันแปรงฟันให้มันหาอาหารให้มันกินเราซักเสื้อผ้าให้มันแต่งตัวให้มันเนี่ยเราต้องทําให้มันหมดเลยถ้าเราไม่มีร่างกายก็สบาย น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดชะล ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่ต้องมากลับมาทาบุญทาบาปแล้วไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปก็ตัดความอยากให้หมดไปความอยากใช้ร่างกายการมาตัณหานี่คือความอยากใช้ตาหูจมูกลิ้นกายภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอันนี้ก็ต้องตัดมันไปถ้าตัดมันได้หมดแล้วทีนี้ใจก็จะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป แต่ไม่ได้หายไปไหยังอยู่ยังอยู่ในโลกคิดอยู่อยู่แบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเองอยู่แบบมีแต่ความสุขถ้ายังต้องกลับมามีร่างกายก็อยู่แบบทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เลยออกจากท้องแม่มาก็ร้องฮะว้ายแล้วก็ทุกข์กับการกินการอยู่การอะไรต่างๆไปจนวันตายแล้วก็ไม่เข็ดพอตายแล้วก็ไปมีร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ แล้ช่วงที่ตายช่วงที่ไปรอการเกิดก็ไปรับผลบุญผลบาปไปแก่ไปฝันร้ายฝันดีต่อนี่คือเรื่องของ จ, จิตใจของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะคิดเพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็จบเราก็จะไม่คิดทำบุญกันเราก็จะไม่คิดละบาปกันเราก็จะไม่คิดชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กัน เพราะเราไม่รู้ทําไปทําไมทําแล้วใครได้ไม่มีไม่รู้ว่าใครเป็นคนได้รับผลเหล่านี้ผลประโยชน์เหล่านี้เพราะเห็นเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าเราคิดว่าเป็นร่างกายเราก็ต้องเอาสิ่งที่ร่างกายได้รับผลประโยชน์ก็คือเงินทองใช่ไหมอาเงินทองกันจะได้พาร่างกายไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันแต่งเนื้อแต่งตัวให้ร่างกายซื้อของสวยๆงามๆให้ร่างกายใส่ซื้อของสวยๆงามๆให้ร่างกายใช้กัน ก็จะทาแค่น <maintenant perman> e <ux> e ี้คนที่ไม่รู้เรื่องของใจไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะคิดว่ามีแค่ร่างกายนี้เังนั้นต้องต้องเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเวลาตายไปก็จบเขาก็คิดแค่นี้เองเขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วถ้าเขาไปไม่ทำบุญก็จะไปลาบากถ้าเขาทำบาปก็จะไปรับใช้รับใช้บากรับใช้โทษ เขาจะฝันร้ายเหมือนอยากไปนอนหลับฝันร้ายแต่ถ้าเขาทำบุญแล้วก็จะฝันดีอันนี้เขาไม่รู้กันต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะได้ดีแน่ฟังเรื่องราวเหล่านี้เรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ที่ไปที่ไปที่ไปเป็นผลของบุญของบาปวันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้ ก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูแล้วถ้าปฏิบัติได้ก็จะเห็นกับตาเองเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บังคับไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็บังคับไม่ได้เป็นเหมือนหมอหมอให้ยาไปแล้วคนไข้ก็เอาไปกินไม่กินก็เรื่องของคนไข้คนไข้กินโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายถ้าไม่หายจะได้รู้ว่าหมอคนนี้โกหกจะได้ไม่ต้องมาหาหมอคนนี้อ ก็คิดว่าพอสมควรเลาก็ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวารรวาหาปุราปาริกปุเรนติสาลังเอวามวะอิโตชินังเตตานังอุ ป, ปกัปติอิชิตังปัติตังตุมหังทิพมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกบะ จัโทปนะอะระโยะามะนีโตติอะรโสยะาสัพพิตโยวิวาจัตุสัพพะโควินาสตุมาเตปาวะตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจจังวุฒาปจายโน จัตตารอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางมีอะไรอยากจถามไหมไม่ไมีค่ะ <Pacific> ฟ <solar> ัง <attitudes> ทุกวันก็ไสาระดีๆ <ob> ทุกว <at PA> ันเรื่องช็อปปิ้งเนอะอะไรอบบนีหายโอ่แล้วหายโง่แล้วเป็นคนบ้าบุญบ้าครรมะ ได้จานปูนี่แหละยอมก็โตๆนะดีใจต่อไปก็ต <staple> ้องเอาไปปฏิบ <squishy> ัติได้นะทานนั่งสมาธิทำใจให้สงบนะ วันนี้ทางเฟซบุ๊กยูทูบเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุ ด, ด344ค่ะยูทูบมี104วิวมี12อินสตาแกรมมี9ค่ะมีต่างชาติเข้ามาไหมวันนี้ไม่มีเราคงไม่มีมฉลองพิเศษกันนู่นเราไม่ก็เป็นชาวพุทธแล้ว ชื่งองขวานช้อปปิง้งเงนวันสุดท้ายแล้วเนะี่ยวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์นี่เสาร์สุดท้ายแล้วเนะี่พี่อยากจะถามอะไรไหมไม่มีทางบ้านมีคำถามอะไรั้มอ่าส่งเข้ามาได้คนที่เขียนคำถามถ้าบอกว่ามาจากที่ไหนด้วยก็จะดีนะกำลังจะ ทำสถิติสำรวจดูว่ามาจากกี่จังหวัดกันตอนีตอนนี้มีห้าสิจังหวัดห้าสิบแล้วเพิ่มจากเมื่านจังหวัดแล้วต่างประเทศก็ยี่สามสิบกว่าสามสิบเอ็ดเดยนี่ยไปทั่วโลกเลยไปทั่วโลกไปทั่วประเทศไม่ต้องไปเองสบายเดี๋ยวนี้มีสื่อพาไปสมัยก่อนพระพุทธเจ้านี่ต้องเดินไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่พักก็ต้องเดินไปเมืองนู้น เดินมปวงน้นเสรก็ต้องเดินไปวงนั้น เ, เ น, น, นี่ยพรไม่มีสื่อสมัยนี้เราให้สื่อเดินไปเรานั่งตรงนี้สบายกว่าเยอะเลยเขาคิดดูถ้าสมัยพระพุทธเจ้ามีพวกนี้โคนคงจะรู้จักธรรมะ ก, กันเยอะเลยนะยิงถ้าให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่โอ้โยเดี๋ยวบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่หมด าถามคาะคำถามประคุณจงแจงนะคะเธอได้ยินว่าอยู่ใกล้ชิคุบาอาจารย์มากๆต้องระวงังไม่นั้นไม่ฉะนั้นจะบาปมากกว่าได้บุญจากการกระทาของเราเองโดยไม่ได้เจตนาทำอย่างไรจรึงจะเสี่ยงน้อยสุดในการที่ต้องโอนิบัติรับใช้ท่านคะเอรดดานิสัยของมนุษย์เราเนี่ยพอใกล้ชิดสนิทสนมกายแล้วความเกรงใจมันจะน้อยลงไปคนเราถ้ารู้จักกันใหม่ๆนี่ ไม่รู้จักกันจะเกงใจจะอายกันไม่กล้าอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่พอสนิทสนมกันรู้จักกันสนิทเดี๋ยวก็มึงกูขึ้นมานะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เราละก่ายชิดสนิทสนมกับใครแล้วมักจะลืมตัวกันมักจะปล่อยไม่มีสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่เวลาพบปะคนที่ไม่รู้จักนี่เราจะค่อนข้างที่จะระมัดระวัง สังเกตดูเราไม่ค่อยจะระบายอารมณ์กับคนที่เราเพิ่งพบกันในหม่ๆแต่คนที่เราเจอกันประจํายังผัวเมียพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันจะไม่มีความระมัดระวังมันจะระบายออกมาอยู่ด้วยๆมีอารมณ์อะไรมันก็จะไม่ยับยั้งชั่งใจปล่ อ, อยออกมาพูดออกมานี่คือโทษของการมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเะั้น เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพยายามไม่ให้กายชิดมากท่านจะทําเหมือนกับไม่เคยชินกันเหมือนกับไม่รู้จักกันเพราะว่าถ้าท่านให้ความสนิทสนมเมื่อไหร่เราก็จะลืมตัวขึ้นมาเราก็จะคิดว่าท่านเมตตาท่านไม่ถือสาอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เลยจะไม่ไม่ระมัดระวังไม่ดูกิเยสของเราว่าสมควรหรือไม่สมควร งั้เราต้องมีสติเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่เพิ่งรู้จักกันมีความเกลีนใจกันอันนี้ก็ต้องใช้สติหรือบางทีก็ต้องให้ท่านท่านสอบกับเราบางทีเราไปใกล้มากๆไปอะไรมากๆท่านสอบกลับทีเราก็หงายตึงไปเลยบางคนรับไม่ไหวก็โดดหนีเลยอยู่ไม่ได้ เพรา พ, อ, พอท่านพอท่านทําท่าจะดุหรือทําท่าจะอจะทําท่ารังเกียจเราขึ้นมาเนี่เราก็จะเสียใจเราก็จะเสียใจแล้วก็ระเบิดเปิดเปลงไปเลยมันก็พรใจเรามันมันเปนแบบแบบสุดโต่งลักกับลักสุดๆเลย<ม>พอเปลี่ยนจะเกลียดสุดๆเลย มันเป็นอย่างนั้นแต่สามีภรรยาเวลารลาักกันกัรักกันสุดๆแล้วนะเวลาเกลียดก็จะฆ่ากันตายให้ได้แยกทางกันเพราะนี่คือนิสัยของปุถุชนมันยังมีกิเลสอยู่กิเลสมันจะสุดโต่งเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังเราต้องเอาธรรมะคือสติปัญญามาคอยใช้ตื่นใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราอย่าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาให้มากเกินไปนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมตัวแล้วกิเลสมันจะออกมาความโลภความอยากมันจะออกมาแล้วเวลาเกิดความโลภความอยากแล้วถ้าเขาไม่ทำตามความโลภความอยากเราเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจแล้วเราก็า จ, จะพูดไปทำอะไรไม่ดีต่อไปได้ค่ะค่านถามว่าคุณโอ๊กแรมนะคะ หากเราตั้งใจจัดน้อมนําพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งสาธารณะแล้วแต่ในบ้านก็ยังมีพวกเทวรูปเครื่องรางของขังอยู่ในบ้านคิดว่าจะนําไปให้คนอื่นหรือนําไปทิ้งถังขยะจะเป็นบาปไหมครับควรทําอย่างไรดีครับเออไม่บาปเลยมันตั้งอยู่นั่นนตั้งอยู่นั่นได้มาต้องนานก็ปล่อยมันตั้งไว้สิมันก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับในบ้านไปก็ได้เพราหลังวันจะเอาเสียนผ้าไปตั้งประดับในห้องน้ําเลย ถ้ามันไม่ถือด้วย่างมันก็ไม่หมีอะไรก็อย่ า, ไ, า, ยาไปถือมันนั่นเองก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับบ้านไปหรือถ้ามีใครอยากจะได้เข้ามาขอก็ให้เขาไปเของมันยังดีอยู่อย่ไปทุบทิ้งอย่าไปทํำลายถ้าเราไม่เชื่อเราก็อยาอ่าไปลบหลู่ก็อาจจะทําให้คนอื่นที่เขาเชื่อเขาเขาลบก็าอาจจะรู้สึกไม่ดีกับการกระทำของเราก็ได้การถือพระพุทธธรรมประสงค์คือความจริงไม่ได้ให้ถือที่พระพุทธรูปหรอก ให้ถือว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ศึกษาคําสอนของท่านเนี่ยการถือที่เราถือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นี้ให้เข้าหาคําสอนไม่ได้ให้ไปซื้อพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่บ้านแทนเทวารูปนี่ไม่ใช่หรอกไม่ต้องมีพระพุทธรูปกุฏิเราไม่มีพระพุทธรูปที่นี้ใครให้พระพุทธรูปมาก็จะมักจะให้คนหนึ่งมาต่อไปเพราะมันไม่ใชที่ตั้งนี่มีองค์เดียวก็พอจะไมีมากมายทําไมมันก็องค์เดียวกันแหะ เพระพุตธรูปเป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์แค่นั้นเองให้เราระลึกถึงพระคาพระธรรมคำสอนปาริรายสองสาวกก็เหมือนการเข้าหาท่า น, นอย่าไปอย่าไปติดที่รูปให้ไปติดที่คาสอนคนบางคนไปติดพระแต่นี่อย่าไปติดคาสอนกบไปติดพระสิแล้วเดี๋ยวก็ไปเนื้นเอเืกับพระอีกอนั้นให้ติดให้ติดคำสอนอย่าอย่าไปติดคนสอน พอติดคอนสอนแล้วจะมีเรื่องทันทีเนะี่ยพมันจะใกล้ชิดสนิทสนมแล้วเดี๋ยวมันก็อยากนู่นอยากนี่ขึ้นมานะพอไม่ได้ังใจอยากก็เสียใจโกรธขึ้นมาอีกเพราะงั้นะนะการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ให้เข้าหาที่คําสอนอย่าไปหาที่ตัวท่านเนะี่ยตัวท่านนี่มันเป็นสิ่งที่ท่านไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วนะเราอย่าไปยุ่งกับท่านนะเราไปไปรับคําสอน เราก็อย่าไปสอนท่านบางคนก็ไปสอนท่านก็มีบางคนเป็นหมอก็สอนว่าท่านต้องกินอย่างงั้นต้องกินอย่างนี้นต้องออกกําลังกายอย่างนู้นต้องออกกาลังกายอย่างนี้ท่านไม่ได้มาขอให้เราเป็นครูเข้าใจไหมเรามาขอให้ท่านเป็นครูอะ่างนี้อย่าไปเป็นครูท่านเราเป็นเป็นนักเรียนถ้าอยากจะเป็นครูร้อยท่านาไปขอเราก่อนถ้าท่านไปปรึกษาหมอเนี่ยปวดตรง น, นี้เจ็บตรง น, นี้ทํายัางไงทีนี้ก็พูดได้สอนได้ แต่จะมาสอนครูบาอาจารย์เรามาเป็นลูกศิษย์รอรับคำสอนอย่างเดียวคาถามจากคุณสุนีถ้าไม่มีเงินปฏิบัติภาวนาจะดีกว่าไหมครับอ๋อแน่นอนมีก็มีเงินก็ปฏิบัติภาวนาดีกว่ามีไม่มีไม่เกี่ยวกันการปฏิบัตินี่มันดีกว่าถ้ามีเงินมันจะมีปัญหาเพราะมันจะไม่ไปปฏิบัติกันมันจะไปชอปปิ้งกันแทน เดี๋ยวจะเอาเงินให้เอาเงินไปทําบุญนะไอ้มันไม่มีกงินไปช้อปปิ้งไม่มีเงินไปเที่ยวมันจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้คําถามจากคุณปุ้ยขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายข้อความที่ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมค่ะ อ, อ๋อเขาหมายถึงว่าถ้าเรายังต้องทํางานอยู่เรายังสามารถปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทํางานได้แต่มันจะได้ไม่มากเท่านั้นเอง คือให้เรามีสติอยู่กับงานที่เราทำอย่าปล่อยให้ใจเราลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อย่างน้อยเราก็เป็นการฝึกสติดึงใจไว้ให้มันอยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีพอเพราะสติที่เราต้องการจริงๆต้องเป็นสติแบบไม่คิดสติแบบคิดนี่มันยังได้เพียงครึ่งเดียวต้องเอาสติแบบไม่คิดแต่เวลาเราทางานนี้เราต้องคิดคิดเรื่องงานเรื่องการ จิตก็ไม่นิ่งไม่สงบไม่เป็นสมาธิได้ถ้าอยากจะให้จิตนิน่งสงบต้องมีสติแบบไม่คิดทำงานแบบไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำทานล้างหนะ้าแปรงฟันนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้สติดูไปอย่างเดียวได้ต้องเป็นท่านต้องทำงานแบบนี้ถึงจะดีคือให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำแแต่ไม่คิดเกี่ยวกับงานที่เราทำเพราะงานที่เราทาไม่ต้องใช้ความคิด พอมันทำมาจนชินแล้วอาบน้ำน้งหน้าแปรงฟันนี่มันไม่ต้องคิดมันก็ทำไปตามความเคยชินเราก็ไม่ต้องคิดเราก็หยุดความคิดได้อย่างนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำพวกคู่กับการทำงานการทำงานเป็นการปฏิบัติทำเนี่ยพระสององค์เจ้าที่ท่านมาบวชเนี่ยท่านทำงานแบบนี้ ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาท่านออกบินธบาติท่านไปเตรียมศาลาไปกวาดถูศาลาไปเตรียมออกบินธบาตนี่ท่านมีสติอยู่กับงานที่ท่านทําอยู่ตลอดเวลาใจท่านมันจะไปไม่ไปรอได้ไคิดถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อถึงแม่ถึงเพ ưới, ื่อนถึงอะไรท่านจะอยู่กับงานที่ท่านทําอยู่เพียงอย่างเดียวเวลาเดินบิณธบาติก็อยู่กับการเดินบินธบาติเปิดฝาบาติปิดฝาบาติไม่ไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่เรียกว่าทํางาน บเป็นการปฏิบัติไปกับการทำงานทำอย่างนี้แต่ถ้าทำงานทางโลกนี้มันไม่ถือว่าปฏิบัติหรอกเพราะว่ามันต้องคิดคิดแล้วก็เกิดความรุ่งเกิดความเครียดขึ้นมาใช่ทำงานแล้วทิพายแล้วขาดทุนจะทำไงดีเป็นรีบเป็นสินนี่มันก็มันต้องเครียดเพราะมันต้องใช้ความคิดอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติทำไปกับการทำงาน การทํางานที่แท้จริงต้องเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดงานปกติงานที่เลี้ยงดูร่างกายเราอย่างเงี้ยดูแลร่างกายเราไม่ต้องใช้ความคิดแต่ทํา ง, งานแบบนี้ก็จะปฏิบัติทําไปด้วยคําถามจากคุณอะไรค่ะผมภาวนาก่อนนอนทุกคืนบางคืนจิตละเอียดบางคืนภาวนาแล้วจิตรวมเมื่อนอนหลับแล้วก็จะฝันว่าหอะ ไปเที่ยวทุกคืนบางคืนก็หอบไปสวรรค์บางคืนก็หอบไปกราบฟังธรรมจากอุบาอาจารย์ทำไมผมฝันที่ไรต้องหอบได้ทุกครั้งครับก็อาจจะเป็นนิสัยของเร า, ยอยาชาอบหอบนูคำถามจากคุณตอดฟอร์ดดีนะคะอาชีพดารานะักแสดงและนักร้องมีผลของกรรมอย่างไรได้บ้างในทางลบคะ มันก็แล้วแต่ว่าเราเล่นบทไหนถ้าเราเล่นบทร้ายมันก็อาจจะทําให้เราติดนิสัยเป็นคนคนร้ายขึ้นมาก็ได้เล่นบทอิจฉาริสตยาเล่นบทแก่งแย่งชิงดีกันมันก็อาจจะทําให้มันฝังเป็นนิสัยของเราขึ้นมาแต่ถ้าเราเล่นบทดีได้เล่นบทเป็นพระนี่ก็ดี <c oughs> จะได้เรียบร้อยสมาสํารวมพัว ได้บวชบทเป็นภาพบวชเป็ชีได้บทนี้ก็จะดีพราะไม่ได้หัดเป็นเนี่ยเพราะเวลาเล่นมันก็ต้องทําต้องทําให้มันเหมือนจริงใช่ไหมมันก็จะอาจจะได้เป็นนิสัยมาอคนที่ก็จะบวชพระเล่นบทชพระนี่บางทีก็ต้องไปถามพระก่อนใช่ไหมพระทํำยังไงกิริยาการเป็นยังไงเดินยังไงกินยังไงนั่งยังไงทํำยังไงก็เป็นการเรียนรู้ไปในตัวถ้าเราไปเล่นบทลายก็ต้องไปหัดใช้ปืนยิงหัด วิธีฆ่าคนฆ่ายัางไงหกัหกหักคอคนออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ปเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะเอาไปใช้เวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาได้คำถามจากคุณรัตนะภาวนาพุทโธค่ะภาวนาไปพุทโธเรื่องจะหายไปแต่ยังมีพุทโธอยู่หนูควรจะทําอย่างไรต่อครับถ้ายังมีพุโทโธอยู่พุโทโธอยู่ก็พุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้มันหาย ให้มันหยุดให้มันหายไปเองให้มันหายตอนที่จิตมันรวมถ้ามันหายเองเพราะเราหยุดบริกรรมนี่ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องบริกรรมต่อถ้าจิตยังไม่รวมจิตยังไม่นิ่งจิตยังไม่ตกหลุมตกบ่อก็พุทโธไปเรื่อยๆถ้ามันตกหลุมตกบ่แล้วมันจะนิ่งเองแล้วมันจะหยุดมันไม่ต้องพุทโธเพราะใจไม่คิดอะไรแล้วถ้าใจยังคิดอยู่ก็ต้องพุทโธต่อไปถ้าใจหยุดคิดก็หยุดพุทโธก็ได้ให้รู้เฉยๆไปก็ได้ แต่พอมาเริ่มคิดก็ต้องพุทธโหม่ข้อที่สองมีครั้งหนึ่งนั่งภาวนาไปเกิดเวทนามากภาวนาต่อมันเกิดอาการทราบทรานความเจ็บหายไปค่ะหนูควรทําอย่างไรต่อคะก็ทําไปเรื่อยๆทําให้มันนั่งให้นานๆถ้าหายเจ็บได้ก็นั่งต่อไปนานๆแล้วก็พุทโทต่อไปภาวนาต่อไปให้มันรวมให้ได้ให้มันเหนือแต่ศักแต่ว่ารู้นิ่งเป็นอุบเบกขามีความสุขมาก ถ้ายังไม่เจอความสุขมากนี่ยังถือว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้ามันไปสงบนิ่งแล้วจิตเบา อ, อกเบาใจเหมือนเหมือนเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันก็จะรู้เองว่าอ๋อนี่เราได้ถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนาแล้วคำถามจากคุณบุญติขาค่ะในทางพระพุทธศาสนามีวิธีป้องกันภาวะซึ้งเศร้าอย่างไรคะ ก็ลดความอยากลงเนี่ยความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราซึมเศร้ากันพออยากแล้วไม่ได้อยากมันก็ซึมเศร้าอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปอยากไปชอปปิ้งไม่ได้ไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากอะไรไม่ได้สักอย่างมันก็ซึมเศร้าเนี่ยนั้นหัดมานั่งสมาธิหยุดความอยากกันฝึกสติหยุดความคิดกันแล้วเวลาจิตสงบแล้วจะไม่ซึมเศร้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีอะไรก็จะไม่ซึมเศร้า ที่มันซึมเศร้าเพราะมันอยากแล้วมันไม่ได้ทำไม่ได้มีตามที่มันอยากได้คำถามจากคุณไอเบอร์รี่ค่ะพุทโธและสติปัฏฐานสี่เมื่อเวทนาเกิดขึ้นเมื่อสติตามรู้ทันให้ภาวนาพุทโธเพื่อตัดไม่ให้กิเลสเข้าแทรกหรือควรดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆคะอ๋อถ้าเราเบื้องต้นเราก็ควรที่จะหยุด กิเลสก่อนอย่าให้มันเข้ามาแทรกเวลาเกิดความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็พุโทโธไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะถ้าอยากให้มันหายแล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาที่ใจอีกชั้นหนึ่งเราจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ความทุกข์ที่รุนแรงไม่ใช่ทุกข์ที่ร่างกายแต่ทุกข์ที่ใจพอ เ, เกิดความอยากให้ให้ความเจ็บหายไปในี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราดูแลเราแยก เวทนาออกจากร่างกายออกจากใจได้ก็แยกไปให้รู้ว่าเวทนาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนฝนฟ้าอากาศนี้เราเรู้ว่าฝนฟ้าอากาศไม่ใช่เราฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนฝนตกก็ปล่อยมันตกไปเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ต้องแยกเวทนาให้เหมือนกับเป็นฝนเป็นเหมือนเสียงที่เราได้ยินเสียงที่เราได้ยินนี้เราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ เสียงนกจะร้องเสียงลมจะพัดเนี่ยเราไปบอกว่า ห, หยุดหยุดไม่เอาไม่อยากได้ไม่ได้แต่ทาไมาเวลาเรามีความเจ็บทำไมาเราอยากจะให้มันหายไปมันก็เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเนี่ยเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินนะฉันพยายามหัดสอนใจให้รู้ว่าเวทนาความเจ็บของร่างกายนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เรนนนตตามันมาก็ต้องปล่อยมันมาไปถ้า ถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไปปวดท้องก็ไปหายาแก้ปวดท้องมากินดูถ้าหายก็หายถ้ายังไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเราถ้าเราฝึดอย่างนี้ใจเราจะไม่ทรมานเราจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันไม่เป็นเนี้ยมันจะทุกข์มากมันจะทรมานมากนี่คือสองวิธีถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีแยกก็หยุดมันก่อน หยุดความอยากด้วยการพุโทโธพุโทโธไปก่อนบริกรรมพุโทโธทําใจให้นิ่งพอใจนิ่งใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายคําถามถาคุณเป็นอิสระภารลูกรับสินแปดมาปฏิบัติที่บ้านได้ไหมคะได้แล้ความจริงสินนี่แปดนี่มันอยู่ที่เราไม่ต้องไปรับก็ได้ขอให้เรารู้ว่าศินแปดมีอะไรแล้วก็รักษาไปเลยไม่ต้องไปรับ ไปรับศีลนี่เป็นเมันสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างถเรารับศีลก็คือการไปรับรู้ไปศึกษาว่าศีลแปดมีอะไรบ้างแต่ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปที่วัดทุกครั้งที่เราอยากจะรักษาศีลแปดเราตั้งใจได้เลยเช่นวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดก็รักษาไปก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปขอพระไม่ต้องไปอาราธนาศีลไม่ต้องไปตั้งน้โม อันนี้เป็นพิธีที่เขาทำให้มันดูสวยงามท่าเองแต่ตัวเนื้อหาสาระจริงๆก็เคยเรารู้ว่าสินมีอะไรบ้างสินแต่มีกี่ข้อมีอะไรบ้างวิธีรักษารักษาอย่างไรแต่ยังไม่รู้จักไม่แน่ใจในบางข้อก็ถามยนงบางคนที่ชอบถามเรื่องข้อแต่ต้องแต่แตเนื้อต้องตัวกันเพราะถือสินแตดแล้วก็จะไม่ให้เราไปแตะต้องกับเพศตรงข้ามความจริงแตะต้องกันนียังไม่ผิดสินหรอก เพราะศีมันห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันแต่เพียงแต่กลัวว่าไปแตะต้องตัวกันแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะทนไม่ได้อดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะไปร่วมหลับนอนกันก็เลยให้แยกกันอย่าอยู่ใกล้กันอย่าไปใกล้ชิดกันถ้าไม่คุยกันได้ก็ดีไม่แต่เนื้อต้องตัวกันได้ก็ดีมันจะได้ไม่ทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมา แต่ยังไม่ผิดศีลแต่เสีย่ยงต่อการไม่ผิดศีลเหมือนกับการเอาน้ำมันกับไฟไปอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวก็มันมันพากขึ้นมามันก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้เขาต้องเก็บไฟไว้ที่หนึ่งเก็บน้ำมันไว้อีกที่หนึ่งให้มันอยู่ห่างไกลกันคำถามจานะคุณชีวิตยังมีอยู่สู้ต่อไปจากสุราธานีค่ะผมจะจากลูกเมียไปบวชกับพระอาจารย์สุชาติได้ไหมครับ อ Ö ่า ไ, ไม่ได้หรอกเราไม่ได้เป็นอุปชาเราไม่ได้เป็นเจ้าอาาสก็คือเราไม่สามารถที่จะรับปากวใครจะมาก็ได้แต่จะมาแล <ت <bits> <ت ้วจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการมีที่หรือเปล่าทางวัดเขายินดีรับเราหรือเปล่าแต่เราอนี้อย่ามาให้เราต้องมาเป็นภาระกับใครมาต้องผูกพันกับคนนั้นคนนี้หนยเดี๋ยวมาแล้วก็มาเกาะติดเราตลอดเวลา มาแล้วพอเราไม่บริการก็จะหาว่าเราไม่เมตตาเราก็แย่ดังนั้นที่นี้เราไม่เราไม่มีอะไรกับใครดังนั้นใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปแต่จะมาบอกว่าเป็นลูกศิษย์แล้วต้องตั้งสัง่งต้องสอนต้องอะไรตามที่เขาต้องการนี้่เราทําทําแบบนั้นไม่ได้เราก็ทําตามหน้าที่ของเราอย่างนี้วันวันหนึ่งล้วก็มีเวลาสอนเนี่ยวันช่วงบ่ายนี่ก็สอน แล้วช่วงอื่นถ้าเวลาว่างถ้าถ้าเขามีคำถามเขาจะเข้ามาถามก็อาจจะเข้ามาได้ถามได้บ้างอะไรแต่ต้องมีเวลาไม่ใช่อยากจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ก็มาได้ตายเราก็ไม่ต้องมีเวลาเป็นตัวของเราเองเนี่ย <c oughs> ที่กุฏิเราต้องติดป้ายว่าขออภัยไม่รับแขกที่กุฏิยิ้นไม่มีเวลาพักเลยถ้าคนไปที่กุฏิทั้งวันทั้งคืน คำถามจากคุณแม่นกนะคะจากจังหวัดตากค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิที่ห้องคอนโดลูกสาวโดยที่ไม่มีห้องพระแต่ใช้จิตระลึกถึงห้องพระที่บ้านแบบนี้ได้บุญเหมือนกันไหมคะไม่ต้องระลึกหรอกไม่ต้องมีห้องพระหรอกห้องพระแต่คือที่มันสงบที่ไหนสงบไม่มีเสียงรบกวนเราเรียกว่าวัดเป็นห้องพระงั้นไม่จาเป็นเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องอยู่ในห้องพระหรอก พระพุทธเจ้าเวลาตัดสู้ท่านก็ไม่ได้ตัดสร้ในห้องพระนะท่านตัดสั้ที่ใต้โคนต้นไมนะที่สงบ <Okay. S 1> ตามป่ามยที่ในป่ามันสงบค่้คถามเจ้าคุณจงแจงค่ะนั่งสมาธิแล้วไม่คิดมีแต่ตัวรู้จิตมีความสุขแต่ยังไม่ได้อัปปนา ช่วงไปภาวนาวัดป่าอยากแต่จะปฏิบัติทั้งวันรู้สึกใจยังไม่อิ่มไม่พอผิดปกติหรือไม่ครับอไม่หรอกเป็นธรรมดาปฏิบัติแล้วมันก็ถ้ายังไม่อิ่มมันก็ต้องปฏิบัติต่อไปจนถึงเมืองพอเมื่อไหร่มันก็ถึงจะเลิกปฏิบัติได้พอถึงนิพพานเมื่อไหร่มันก็จะไม่อยากจะปฏิบัติอีกต่อไปพอเห ม, มือนคนกินข้าวอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่อยากกินข้าวอีกต่อไป ถ้ายังยาถ้ายังไม่อิ่มมันก็ยังอยากจะปฏิบัติไปเรื่อยๆความอยากแบบนี้ไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นตัวที่พาใไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากแบบนี้จะนำไปสู่การชื่นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดบถคำจากคุณเตาจากสุขโขทัยค่ะเมื่อไม่นานมานี้ผมสั่งกุ้เผาผ่านทางเ c e b ุ๊ k ชือผมรู้ว่าร้านนี้เผากุ้งเป็นๆผมเลยสั่งให้เขาเอากุ้งตายแล้วมาเผาเท่านั้นเน้นย้ํากับร้านว่าเอากุ้งที่ตายแล้วแต่ทางร้านแอบไปเผากุ้งเป็นๆให้ผมโดยที่ผมไม่รู้แบบนี้ผมจะบาปมากไหมครับก็คน ร, รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าร้านก็มีแต่กุ้งเป็นเงนั้นเ <c oughs> นี่ยงั้นก็อย่าไปกินร้านนี้ก็แล้วกันไปกินร้านอื่นเป็นร้านที่เรารู้ว่าเขาไปเอาของตายมาทําแล้วอ่า ถ้ามันถ้ามันไม่แน่ใจก็อย่าไปกินมันเลยกินอย่างอื่นก็ได้กินของกินผักกิน อ, อะไรไปก็ได้มันก็อิ่มเหมือนกันอ่ะการกินอาหารก็เพื่อทําให้ร่างกายมันอิ่มนั่นเองอย่าไปติดกับลดกับชาติของอาหารเลยกินเพื่อดับความหิวเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระก่อนจะก่อนจะฉันอาหารให้พิจารณาอาหารก่อนว่า mm hmm. เราฉันอาหารเพื่ออะไรกันแน่เราฉันอาหารไม่ได้เพื่อลดเพื่อชาติเพื่อความเพื่อเติอนเพื่อความ อิ่มน้ำสํารานใจเราฉัอาหารเพื่อดับความหิวเพื่อป้องกันความหิวไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเรยเกินไปเท <Yeah. S 1> ่านั้นเอง <Yeah. S 1> เพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุข <Yeah. S 1> ก็จะได้เอาไปปฏิบัติธรรมต่อฉะ <Yeah. S 1> นั้นกินอะไรก็อย่าไปให้มันวุ่นวายถ้าเรากินตะพราเราติดเรื่องของรสชาติเนี่มันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องไปเสี่ยงกับการทําบาป ก, ก็ รสชาติของเนื้อสัตว์มันหวานเนี่ยมันอร่อยอร่อยแต่ยิ่งของสดสดดีมันยิ่งยิ่งอร่อยใหญ่แต่มันแค่ความสุขชั่วปลายลิท่นั้นเองพอ เ, เข้าไปในปากแล้วมันก็หมดแล้วเดี๋ยวเดียว น, นั้นเองแล้วเราต้องไปรับผลบาปต่อไปเองมันไม่คุ้มค่าคิดดูว่าแล้วกันกุ้งทุกตัวที่เราฆ่าลิ้นลึกที่เรากินเนี่ยด้วยการาทําให้มันตายด้วยการกินหรือสั่งของเราเนี่ย เราต้องไปเป็นกุ้งต่อไปเนี่ยใช่คิดอย่างนี้แล้วกันมันจะได้ไม่ไม่กล้ากินกุ้งสดสดกันคำถามจากคุณแอปเปิ้ลคุณพ่อเสียชีวิตไปเกือบสองปีแล้วค่ะแต่ยังคิดถึงท่านมากๆคิดถึงทุกวันเป็นห่วงว่าท่านจะอยู่อย่างไรรู้ควรทำอย่างไรดีคะก็ถ้ามีโอกาสทำบุญก็ทิศไปให้ท่านก็แล้วกันแต่ท่านจะรับไม่รับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วแต่สถานภาพบุญบาปของท่านว่าท่านอยู่ในสถานภาพใดถ้าท่านมีบุญมากท่านก็เป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญบุญที่เราส่งไปท่านก็ท่านก็อาจจะขออนุมโมทนาแต่ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องรับคำถามจากคุณชัชวันผมนั่งสมาธิแล้วพอลมหายใจละเอียดพอประมาณหนึ่งแล้วเกิดตึงศีรษะปวดหัวปวดกลามพอดูลมไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยโล่ง ้อมหายใจละเอียดขึ้นครับแต่ยังไม่ถึงกับปัณนาสมาธินี่ก็ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อไปจนกว่ามันจะรวมอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ที่ลมเพียงอย่างเดียวถ้าลมละเอียดไม่สามารถมองเห็นลมได้ก็ให้ให้ดูความว่างไปดูความไม่มีลมไปให้อยู่กับความว่างไปอย่าให้ไปคิดอย่าไปให้อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้สนใจอยู่กับความไม่มีลม ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีเอาไม่ดูก็ดูดูไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆให้มีสติรู้ไปเรื่อยๆตามหลักสติปัฏฐานสี่ควรตามดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามจริงหรือว่าควรหยุดด้วยการภาวนาพุโทโธคะมันก็ขั้นต้นก็ต้องหยุดด้วยพุทโธก่อนเพื่อเราจะได้มีกำลังหยุดถ้าเราหยุดไม่ได้เราไปดูอารมณ์เราเราจะหยุดอารมณ์ไม่ได้ ถ้าอารมณ์โกรธขึ้นมาเราก็จะหยุดไม่ได้ดฉะนั้นขั้นต้นเราต้องใช้พุทโธหยุดอารมณ์ให้ได้ก่อนพอหยุดได้ขั้นต่อไปเราก็ดูอารมณ์แล้วก็แยกอารมณ์อารมณ์ไม่ดีก็หยุดมันอารมณ์ดีก็ปล่อยมันไปอารมณ์ที่เป็นประโยชน์เราก็ปล่อยมันไปอารมณ์ที่เป็นโทษเราก็เราก็หยุดมันไปถ้าเรายังหยุดไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจัมบุนจตุจพร เวลาจิตตกหลุมตกบอ่อร่างกายของเราจะรู้สึกตกหลุมตกบ่อด้วยหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อร่างกายไม่รู้สึกเหมือนเรานอนหลับเวลานอนหลับร่างกายมันก็นอนอยู่เฉยอาจจะฝันว่าเราตกลงมาจากเครื่องบินก็ได้ใช่ไหมมันมันก็เป็นเหมือนกับความฝันเป็นความรู้สึกในใจเราแต่ร่างกายมันก็นั่งอยู่ที่เดิมเวลาจิตเจริญมันก็อย่างนั้นเน่ยมันเหมือนกับจะตกลงมาจากที่สูงมันจะวูบลงมาแล้วก็นิ่งแล้วก็สบายคำถามจากคุณครู นั่งนอนเดินก็ภาวนาแต่ภาวนายังไม่ได้ทุกขณ์ะเพียงแต่รู้ไปเรื่อยๆตามไปดูจิตว่ามันคิดอะไรโดยไม่ได้นั่งสมาธิเพราะเวลาไม่อำนวยแบบนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์เกิถ้าดูจิตดูเพื่อให้มันหยุดคิดนะดูเพื่อดูว่าตอนนี้มันคิดหรือไม่ดูไม่คิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดคิดอย่าไปตามความคิดถ้าตามความคิดแล้วจิตมันก็จะไม่นิ่งจิตมันก็จะไม่มีวันสงบได้นะ แลาจะไปคิดเรื่องที่ทําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เห็นการดูจิตนี้ตามดูจิตนี้เพื่อดูเพื่อให้มันไม่ให้คิดอะไรถ้ามันคิดก็ต้องใช้พุทโธคําบริกรรมหยุดมันพุทโธพุทโธไปคําถามจากคุณอุ้ยการใช้ชีวิตประจําวันเป็นทุกข์หน้าตาไม่มีความสุขแต่ทําไมพระอริยเจ้ามีธาตุขันธ์ทุกข์เหมือนกันแต่หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขได้เจ้าคะ เพราะจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ทําให้หน้าต า, ายิ้มหรือเครียดถ้าเรามีกิเลสมีความโลภมากจิตมันจะเครียดมากมันจะยิ้มไม่ออกแต่ถ้าไม่มีความโลภความอยากนี่ใจมันจะเบาใจจะสุขมันก็เลยยิ้มยิ้มอย่างสบายยิ้มโดยธรรมชาติร่างกายมันเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนหุน่นผู้ที่เชิดหุ่นก็คือใจใจเครียดมันก็จะเชิดให้ร่างกายเครียด ใจสุขมันก็จะเชิดให้ร่างกายสุขไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพักรอเดี๋ยวส่งเข้ามาได้เองนะยังมีเวลาอีกสิบห้านาทีถ้าอยากจะ <c oughs> มีอะไรเข้ามาก็เข้ามาได้นะถ้ายังเพิ่งมาใหม่ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้อ่าวันนี้ไม่ถามมั่งเลย ว, ว่ามา <c oughs> เลยบอกว่าให้ดูให้ดูตอนตอนที่ยังถามเรื่องมโนธรรมารมแล้วก็มโนวิญญาณ ท, ที่ที่อายตันนตัวสุดท้ายไอ้จหพ่อบอกให้ดูรลโลไปทีเดียวเลยไม่เข้าใจว่ามาว่ามะทีนี้ตัวตัวมโนมโนโที่มันชอบมันชอบไปเล่นเข้าไปสวยอารมณ์อะไรแบบนี้ น, นะคะถ้า ถ้ามันเข้าไปไปรับรู้สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นการรับรู้ทางตาหูจมูก อ, อะไรแบบนี้ค่ะมันรู้ด้วยตัวมโนหรือมันรู้ด้วยตัวมโนวิญญาณนะคะอย่าไปสนใจชื่อมันเลยคอยรู้กัาล้วเวลาได้ยินเสียงรู้ป่ ะ, ะ, ะไม่ต้องไปถามชื่อมันชื่ออะไรให้รู้ว่าเรารู้แบบไหนก็พอรู้เบิกเฉยหรือรู้แบบมีอารมณ์ ถ้ารู้แบบนี้รารมณไม่ไม่ถูกแต่รู้แล้วดีใจเสียใจในี้ไม่ถูกต้องรู้แล้วเฉยๆถ้ารู้แล้วรักนี่ก็ไม่ถูกรู้แล้วชังก็ไม่ถูกรู้แล้วกลัวก็ไม่ถูกก็คือต้องรู้ต้อ ง, ต, องต้องสร้างอุบเบกขาขึ้นมาที่ใจถ้าใจเรายังไม่มีอุบเบกขามันจะรู้แบบรักชังกลัวหลงีี่ทยยงเแดูไม่ได้หรอกอันนี้มันต้อง เพราะจิตไม่ไม่เป็นอุเบกขาไงดันั้นไม่ต้องไปทําสมาธิเยอะๆยิ่งทําเยอะเท่าไหร่จิตจะเป็นอุเบกขาจะเฉยจะเป็นกลางเราต้องกําจัดตัวรักชังกลัวหลงด้วยการภาวนาทําใจให้สงบบางครั้ง ก, ก็ก็สักแต่ว่าไดนะ้แต่บางครั้งมันเล่นไปเป็นเลยทนาเป็นเนั่องจากใช่เพราะว่าเราไม่มีกําลังหยุดมนะันสติเราไม่มีกําลังพอนะ ถ้าเรามีสติเราก็จะดึงให้มันกลับเข้าอุเบกขาได้เวลามันจะออกไปอุเบกขาเป็นเหมือนตรงทํางอะไรไงเวลามันออกไปถ้าเราไม่มีสติเราก็ดึงมันกลับมาไม่ได้หยุดตั้งแต่ตอนที่มันจะแล่นออกไปอถ้ามีสติใช่เวลาเรามีสมาธิเราจะมีอุเบกขาออกมาจากสมาธิอุเบกขานี่ก็ยังพอจะมีอยู่พอมันจะออกไปก็ดึงมันกลับมาด้วยสติมันก็ยังมีอุเบกขาต่อไปได้ ถ้ามันไปแล้วไม่ดึงมือนกับตามมันไปมันอยากจะไปดื่มกาแฟก็ไปเลยอยากจะไปกินพิซซ่าก็ไปเลยเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็มันก็จะเกิดความเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมายมเคยเห็นหบบต้นไม้มีแสงอะไรขาวๆแลดอกไปแล้วเป็นมือค่ะมันจะออกไปคว้าอะไรต่ออะไรเอ่อนาก็เดี๋ยวมันตัดเอามีดตัดมือเลยะมือซนเนี่ยะ เคยร ะ, ะเบิดได้โหนึ่งที่หลวงพ่อบอว่าให้ระเบิดมั น, ปนไปเลยแต่มันเหมือนเป็นลูกโป่งแตกพับเบาๆนิดเดียวเองค่ะพยายามห้ามไว้ใช้สติใช้ยึืกหยุดมันอมีกล่าวมาอีกไห ม, ม, ว, มว่ามาต่อจากคุณพัฒนะครับลูกฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์บางเรื่องครูบาอาจารย์ก็มีความเห็นต่างกัน อย่างนี้เราต้องนํามาปรับใช้กับทุกที่เราเผชิญอยู่ใช่ไหมคะใช่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปท่านก็มีวิธีการปฏิบัติต่างกันแต่หลักเหมือนกันแต่อุบายอาจจะต่างกันบางท่านเอาอตสาหันนี่บางท่านนั่งไปอยู่ที่หน้ากลัวเพื่อจะได้แก้ความง่วงนอนแล้วแต่จริญของท่านแต่ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดทั้งคู่เพราะว่า เหมือน ก, น, กนกับกินอาหารเนี่ยบางท่านก็กินก๋วยเตี๋ยวบางท่านก็กินข้าวต้มแต่ผลก็ได้เหมือนกันก็คืออิ่มเหมือนกันเห็นเราฟังอาจารย์องไหนเราก็ลองเอามาใช้กับเราดูถ้าไม่ถูกจริตกับเราแล้วลอาไปฟังอีกอาจารย์หนึ่งท่านสอนใีกวิธีหนึ่งก็ลองไปใช้วิธีนั้นดูจนกว่าเราจะได้วิธีที่มันเหมาะกับเราถูกกับเราคำถามจากคุณสุนิสา จากนกคนปรปฐมค่ะขอพระอาจารย์โปรดขยายบุญเกิดจากการปฏิบัติภาวนาเพราะขณะที่นั่งหลับตาภาวนาบุญมาจากไหนคืออะไรคะบุญคือความสุขใจอิ่มใจเวลาเราทําบุญเสีย ส, ยสะละเราก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเพราะจิตเราจะสงบลงระดับหนึ่งมันสงบเพราะว่ามันไม่ต้องมากังวลกับเงินก้อนนี้และวถ้ายังมีเงินก้อนนี่อยู่เดี๋ยวมันก็มา คิดว่าจะไปใช้อะไดีไปเที่ยวดีไหมไปทําอะไรดีไหยแต่พอเสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ให้คนอื่นมีความสุขใจเราก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาไม่ต้องกังวลกับเงินก้อนนี้แล้วนี่ความสุขของใจเราเกิดจากความสงบยิ่ความสงบมันมีมากน้อยต่างกาันทําทานทําบุญมันก็ทําให้สงบได้ในระดับหนึ่งรักษาศีลมันก็ทําให้สงบได้อีกระดับหนึ่ง พอเวลาเราไม่ทําบาปใจเราก็ไม่วุ่นวายมันก็สงบมันก็มีความสุขแพอเวลาไปนั่งสมาธิหลับตาหยุดความคิดหยุดความกังวลต่างๆได้มันก็ยิ่งสงบใหญ่มันก็ยิงย่งมีความสุขใหญ่บุญที่เกิดจากการภาวนานี้ถึงจะมีความสุขมากกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีนก็มากกว่าต่างบุญที่เกิดจากการทําทานแต่เราก็ต้องทําจากขั้นง่ายไปสู่ขัญญะ ทำทานง่ายกว่ารักษาศีลรักษาศีลง่ายกว่าการไปภาวนาถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ผลถ้าเรายังทำทานไม่ได้เราจะรักษาศีลไม่ค่อยได้งั้นเราต้องหัดทำจากของง่ายขึ้นไปเหมือนเรียนหนังสือจากอนุบาลไปก่อนอนุบาลแล้วก็ค่อยประถมประถมแล้วค่อยมัธยมแล้วค่อยไปสู่อุดมศึกษาปราิญญาขั้นต่างๆต่อไป ในการนั่งสมาธิเราควรเดินตามวิธีการที่ทำให้เราสามารถเข้าสมาธิได้ในครั้งแรกใช่หรือไม่คะในกรณีที่เราสามารถเข้าสมาธิได้หลายวิธีหรือว่าเราควรเลือกจากความสงบที่เกิดขึ้นครับว่าแบบไหนสงบได้มากกว่ากันก็นะั่นแหละดูผลก็แล้วกันผลไหนดีกว่ากาันก็เอาผลนั้นเหมือนแทงหวยแทงทรงรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สอแล้วก็เลือกแทงนนรางวัลที่หนึ่ง ว่ามันได้รับมันมากกว่ากันใช่ไหถามจากคุณภูสิกธค่ะวิเวกคือความสงบในใจใช่ไหมครับไม่คำว่าวิเวกนี้มันคปลว่าความสงบสงดัดเป็นได้ทั้งทางร่างกายทางภายนอกภายภา ย, ภายนอกของร่างกายเช่นสถานที่วิเวกก็เรียกสถานที่สงบสงดัดเราก็เรียกว่าวิเวก ใจวิเวกก็คือใจสงบจากความคิดปรุงแต่งจากอารมณ์ต่างๆการที่ใจเราจะวิเวกได้นี่เราต้องอาศัยกายวิเวกก่อนกายของเราต้องไปอยู่ที่มันวิเวกก่อนเพราะถ้าเราไปอยู่ที่มันวุ่นวายมันจะทําให้ใจวุ่นวายตามไปใช่ไหมเวลาอยู่ที่ทํางานนี่เป็นยงไงเวลาไปเที่ยวไปตามป่าตามเขานี่เป็นยังไงมันต่างกันใช่ไหมอ่านะจะฉนั้น กายต้องวิเวกก่อนจิตถึงจะวิเวกได้คำถามจากคุณพีนิวค่ะอุเบกขายิ่งมีมากยิ่งรักษาไว้ให้นานๆยิ่งดีใช่ไหมครับใช่เพราะเราจะได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเราจะไม่มีอารมณ์กับอะไรกับใครเราจะสามารถแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ที่เราถ้าเรามีมีรักมีชังนี้เราจะเลือกที่รักมักที่ชัง เราจะแพ้เฉพาะคนที่เรารักคนที่ชังนี้เราจะไม่แพ้คำถามจากคุณนิยาพันรู้สึกเฉยๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเราคือเราบรรลุหรือไม่จิตเราอยู่ในระดับไหนคะถ้าเราไม่วุ่นวายใจเราก็อยู่ในระดับระดับที่เราไม่วุ่นวายใจกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆแต่เรายังวุ่นวายใจกับเรื่องอื่นอยู่เช่นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยา เรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องไปบรรลุขั้นต่อไปต้องไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องไปวุ่นวายกับสามีภรรยากับลูกแล้วก็เรามาไม่มาวุ่นวายกับร่างกายของเราต่อไปมันเป็นหลายระดับด้วยกันที่เราจะต้องขยับขึ้นไปตอนต้นเราจะไม่วุ่นวายกับคนที่ทํางานด้วยกันเขาจะพูดอะไรเขาจะทาอะไรก็เรื่องของเขา แต่เรายังไปวุ่นวายกับเรื่องอครอบครัวเราอยู่เราก็ต้องไปทําขั้นนั้นต่อต้องไปให้มันไม่มีวุ่นวายกับใครเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่วุ่นวายหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างนั้นะถึงจะเรียกว่าบรรลุถึงทำขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าไม่วุ่นวายกับอะไรเลยครับคํำถามจากคุณศิวพร เวลาเกิดความกลัวเวลาเจ็บในการรักษาพยาบาลต้องวางใจหรือทําใจอย่างไรให้ผ่านไปได้คะก็แล้วแต่เราจะทำอย่างไรได้ถ้าเราใช้สติได้ก็พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายมันเป็นธรรมดาที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทรมานใจ ถ้ายอมรับความจริงแล้วปล่อยมันให้มันแก่เจ็บตายได้มันก็จะไม่ทรมานใจคำ ถ, ถามจากคุณยายรักษาออกเงินกินดอกบาปไหมครับแล้วแต่ว่าไม่บาปหรอกถ้าคนที่เขามากู้เขายินดีเหมือนกับการขายของไง<ม>ก็ขายเงินไงขายเงินก็เช่าเงินเหมือนเขามาเช่ารถแล้วแล้วก็คิดค่าเช่ารถไปใช่ไหมเวลาเขามาเช่าบ้านแล้วก็คิดค่าเบ้านค่าเช่าบ้านไปเขามาขอเช่าเงินแล้วก็วาาววกคิ ด, ด<ม>าาคิดค่าเช่าเงินไป ดอกเอ ก, ก็เป็นเหมือนงเงินค่าเช่าเหงินเองแต่ว่าจะโหดหรือไม่โหดแต่ น, นั่นแหะธนาคารก็คิดร้อยละบาทเราไปคิดวันเดือนละบาทเนี่ยมันต้องสิบสองเท่ า, านี่จะเรียกว่าโหดหรือไม่โหดถ้ามีความเมตตา ก, ก็คิดเท่ากับของธนาคารไปสิแต่ธนาคารก็มีวิธีที่จะรักษาเงินเขาได้คือก็ต้องมีหลักทรัพย์ถ้ามากู้เราไม่มีหลักทรัพย์ดอกป็นถึงจะมาก เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มาใช้คืนคำถามจากคุณมนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเช่นไอเจ็บคอลูกถามท่านแต่ท่านไม่ไปหาหมอลูกๆจะบาปไหมครับอ๋อไม่บาปแล้วถามท่านนะเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านอยู่แล้วเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่านนะถ้าไปคืนท่านนะบาปไปบังคับท่านนะ่ะบาปเพราะว่ามันทําให้ท่านไม่สบายใจขึ้นมาอีก ท่านอยากจะปล่อยวางอยากจะไม่รักษาก็เรื่องของท่านเพราะท่านบางทีท่านก็รู้ว่าร่างกายนี่รักษ า, างไงเดียวในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีท่านก็เบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วรักษาไปอยู่ไปก็ไม่แฮปปี้สมมติบางทีแม่ตายไปแล้วอยู่คนเดียวมันเหงาอย่างนีคนที่ก็มีคู่กันนี้เวลาเสียคู่ครองไปนี้อีกค น, นึมันจะตายตามไปในระยะเวลาไม่นานเพราะก็ไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางเป้าหมายของการอยู่แล้ว ไม่รู้อยู่ไปทำไมอยู่ก็ไม่สุขแต่เขาเองแต่ว่าเขาไม่ฆ่าตัวตายเองแต่เขาปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติคือไม่ไปผักดันมันไม่ไปดิ้นรนกับมันมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอันนี้ไม่บาบยูก็ไม่บากลูกควรจะปล่อยให้เป็นไปตามอัตยาสัยของพ่อนะถ้าพ่อไม่อยากจะรักษาก็โอเคถามพ่ออยากจะให้ทำอะไรถ้าการกระทํานั้นไม่บาปก็ทําไป แต่ถ้าพ่อบอกว่าให้หายาพิษมาให้หน่อยอย่างนี้ก็ทาไม่ได้หมดแล้วเลยไม่มีแล้วเลยเหลืออีกสองสามนาทีมีใครอยากจะถามหไหมถ้าไม่มีก็จะปิดประชุมนะเรายห้ามกลับมาถามนะพอะปิดแล้วก็มาขอถามต่อตอนนั้นนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ